สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทิาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิปเปียซูตอนที่241เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่16เป็นคำวิงวอนที่สองครับก็คือขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมอยากจะขอยกเพลงเพลงหนึ่งนะครับเพลงเพลงนี้ประพันธ์โดยท่านไอแซควันะครับซึ่งในเนื้อเพลงนี้บรรยายนะครับว่า พระเยซูจะทรงตกครองที่ทุกแห่งที่ดวงอาทิตย์โครจรไปถึงแต่ดินของพระองค์ขยายจากฝั่งถึงฝั่งจนกว่าดวงจันทร์จะไม่สว่างและมืด อ, อีกไอแซกวัดนะครับมีชีวิตอยู่ในปีคศ1674ถึงปีคศ1748ครับเป็นงกับเมื่อวานนี้นะครับเราจบลงด้วยเรื่องของการที่เราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ลราบาลังแสดงออกถึงความรัก ที่มีต่อแผ่นดินของพระเจ้านั้นเมื่อขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่นะครับคามริษฐานสุดท้ายของพระกัมดีในะค ร, รัาวิวร์นะครับมรณะธาจำได้นะครับพี่น้องครับแปลว่าขอเชิญเสด็จมาเถิดพระเจ้าค่ะวิวรบทที่ยี่สิบสองข้อยี่สิบนะครับเพียงเนในวันนี้นะครับเราจะเข้าสู่หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินของพระเจ้าที่ว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้น ไม่ได้มีครบถ้วนในเวลานี้แผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ได้มีครบถ้วนในเวลานี้เราต้องยอมรับไหครับว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเพราะเนื่องจากว่าเลยครับยังไม่ถึงเวลาที่พระเจ้าจะปกครองโลกนี้ครับพระเจ้าต้องการปกครองโลกนี้ซึ่งเป็นโลกของพระองค์ที่พระองค์ได้ทงสร้างมา แต่ประชาชนปฏิเสธการปกครองของพระองค์อย่างที่พวกเขาได้ทําเสมอมานับตั้งแต่ที่เขาได้ถูกพระเจ้านําออกจากอิสราเอลนะครับคนชาติอิสราเอลก็ได้กบฏกับพระเจ้าเสมอเมื่อชนชาติของพระเจ้าต้อนรับพระเยซูนะครับแบบที่เรียกว่าเอาพระเยซูไปตรึงบนไมงเขน็นนะครับต้องพิสูจนว่าหาได้ต้อนรับพระองค์ไม่นั่นแหละครับคือการปฏิเสธพระองค์พี่น้องครับ พระเจ้าทรงเรียกประชากรของพระองค์ในพันธสัญญาเดิมให้ติดตามพระองค์ทรงปลดปล่อยเขาออกจากการเป็นทาสในอียิปต์เขาเดินผ่านทะเลแดงโดยในถิ่นทุกกันดาร40ปีกินมานาทุกวันกินน้ําจากหินน้ําจากศิลาเมื่ออยู่ในแผ่นดินพันธสัญญาพระเจ้าต้องการเป็นกษัตริย์ของเขาแต่ประชาชนของพระองค์ก็ขอร้องว่าขอท่านได้กําหนดตั้งพระราชาให้มีใส่พวกเรายัางประชาชนทั้งหลายเถิด เขาอยากจะเหมือนกับประชาชนทั้งหลายครับอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องครับจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้ถึงประวัติศาสตร์เรื่องนี้เมื่อประวัติในพมภีได้พูดถึงเรื่องของการที่เขาปฏิเสธการปกครองของพระเยซูเพราะะฉนั้นแผ่นดินของพระเจ้าจึงไม่ได้หลุดท่ามกลางเขานะครับตราบใดก็ตามที่พวกเขามีชีวิตแห่งการเชื่อฝังตราบนั้นแหละครับเป็นตราบที่เป็นเวลาที่พระเจ้าครอบครองเขา แต่นินของพระองค์มาตั้งอยู่พระเจ้าทรงกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งให้กับเขาครับก็คือพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าคือพระเยซูพระองค์บังเกิดในลางยญ้าในเมืองเบตเลเฮนนักกล่าวนั้นก็เดินทางมาจากทิศตวันออกกล่าวว่ากุมารผู้ซึ่งบังเกิดมาเป็นกษัตริย์นะครับอยู่ที่ไหนเห็นไหมครับพี่น้องครับและเฮโรดก็พยายามที่จะประหารกษัตริย์พระกุมารนี้นะคกับเมื่อพระเยซู เสด็จมาประกาศแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์บอกว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วนั่นคือการประกาศว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นแผ่นดินของพระองค์และกําลังจะมาตั้งอยู่ครับแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่หมายถึงการสิ้นประชนของพระเยซูการเป็นขี้เหนียวความตายของพระองค์และการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กระทํากิจของพระองค์ต่อนั่นคือกิตติจักษถูกตั้งขึ้นครับเพราะฉะนั้นแผ่นดินของพระเจ้านั่นหมายถึงกิตติจักษครับ เมื่อพวกเขาเอามงกุฎน้ําสวมกษัตริย์ของพวกเขาตึงพระเยซูที่กังเขนนั้นพี่น้องจําได้ใช่ไหมครับว่าปิลาศให้เขียนนะครับว่าเยซูชาวนาซาเลตแวงไว้ที่ไมังข์แนะครับกษัตริย์ของพวกกิวเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือกษัตริย์ครับนี่คือกษัตริย์ที่ต้องมีแผ่นดินแต่แผ่นดินนั้นไม่ได้เป็นแผ่นดินทางฝ่ายเนื้อหนังแต่เป็นแผ่นดินที่อยู่ในหัวใจครอบครองหัวใจของแต่ละคน พระเจ้าทรงปกครองหัวใจของคนที่ต้อนรับพระองค์ครับและยอมจำนนต่อพระองค์เปาโลกล่าวถึงพระองค์ว่าเป็นผู้ปกครองพระเกียรติและพระศริจงมีเดี่ยพระมหากษัตริย์ครับผู้ทรงพระเจริญอยู่นิรันดรผู้ทรงเป็นองค์อภตษฐะผู้มิได้ปรากฏพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวสืบสืบไปเป็นนิจอาเมนนี่อยู่ในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่หนึ่งข้อสิบเจดครับกษัตริย์ ขอโทษครับเปาโลได้เรียกพระเยซูว่าเป็นกษัตริย์ค ร, รับเป็นผู้ปกครองเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเจริญอยู่นิดนิดหนะ่ๆๆครับนี่คือแผ่นดินของเจ้าแม้ว่าจะยังไม่ครอบทั่วส ม, มูรณ์แบบนะครับแต่เริ่มมีแล้วครับก็คือกิจจ์ของพระเจ้าจะเริ่มเติบโตและขยายออกไปจนกนว่า น, นั้นจะมาถึงครับนี่ครับเราจะเข้าสู่หัวข้อหัวข้อหนึ่งในวันนี้ก็คือเรื่ออวันที่ฉันเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้านั้น แผ่นดินของพระเจ้าก็สามารถจะมาตั้งอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ได้ครับแสดงว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นสามารถที่จะมาตั้งอยู่และขยายออกอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ได้เลยครับก็เลยครับเพราะเรากําลังขอให้แผ่นดินของพระเจ้าสําแดงผ่านชีวิตของเรานั่นเองนะครับเรากําลังอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระเจ้าสําแดงผ่านชีวิตของเรานี่เองนะครับเมื่อเราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ด้วยเหตุผลมากมายหลายประการบางคนอธิษฐานเช่นนี้เมื่อเผชิญกับหน้า เผชิญหน้ากับความตายนะครับอาจจะเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายอาจจะเป็นอมตะพึกงอมตภาคนะครับอธิษฐานขอแผ่นดินของพระงมาตั้งอยู่ขอแผ่นดินของพระงมาตั้งอยู่ขอแผ่นดินของพระงมาตั้งอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าไม่อาจจะทนต่อความเจ็บปวดได้อีกแล้วและต้องการตายนะครับต้องการความตายที่รวดเร็วและไม่เจ็บปวดบางคนนะครับอธิษฐานขอแผ่นดินของพระอตั้งอยู่เวลาที่เขาพบกับความกดดันในชีวิตในอาชีพการงาน มีความทุกข์ยากลาบากเงินไม่พอใช้เวลาไม่พอกําลังไม่พอที่จะดำเนินชีวิตแต่ละวันเขาฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระบัลลัองอยู่เพราะเขาต้องการสันติสุขและความสุขจากพระเจ้ามาอยู่ในชีวิตของเขาบางคนนะครับผิดหวังท้อถอยท้อแ ท, อ ท, อ ท, อ ท, อ ท, ท้พ้าอแพ่ล้มละลายยาร้างนะครับลูกๆ ก, ก็ไม่ได้เป็นหดั่งใจทําให้ทุกคนผิดหวังเขาจะอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพรบะบัลลังอยู่ เพราะว่าเขาต้องการโอกาสที่สองครับต้องการการเริ่มต้นใหม่ครดีสองต้องการโอกาสบังเกิดใหม่เพื่อลองใหม่หมดครับเขาสงสัยว่าพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ที่ให้โอกาสที่สองเอกเขาไหมครับนี่ครับคือคนที่อยากฐานขอแผ่นดินของพระเจ้าที่ผิดหวังนะครับขอสั่งให้แผ่นดินของพระเจ้ามาอยู่ในโลกนี้อยู่ในชีวิตของเราบางคนติดยาเสพติดก็เป็นภาพที่สิ้นหวังของยาเสพติดของเหล้าของบุหรี่หรือเรื่องเพศครับ ก็คือคนที่ไม่สามารถปฏิเสธนิสัยที่ไม่ดีของเขาและเขาไม่สามารถตอบรับต่อพระเจ้าเขาร้องไห้เช่นเดียวกับที่อาจารย์ปอลบอกว่าด้วยว่าการดีซึ่งข้าพเจ้าปรารถนากระทํานั้นข้าพเจ้าไม่ได้กระทําแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาจะทํานั้นข้าพเจ้ายังทําอยู่พี่น้องครับขอให้เราอธิษฐานว่าขอแผ่นดินของพวกมาตั้งอยู่เพราะเราต้องการครับเราปรารถนาอย่างจริงใจ ที่จะให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อประทานความสามารถจะทําสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องได้ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเมื่อเราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องการการปกครองของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องการการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องเราต้องการการเปลี่ยนล้นการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพี่น้องครับมีบางคนต้องการการปกครองของพระเจ้าในชีวิตเขาไม่เคยติดคุกไม่เคยเสพสิ่งเสพติดไม่เคยมีโรคร้ายถึงตาย วันเวลาของเขาในชีวิตนี้ก็รู้สึกจะมีแต่ดีกับดีไม่มีไม่เคยมีอะไรฉุกเฉินมากครับในชีวิตของเขาเขาใจที่ฐานขอให้แผ่นดินของพระตั้งอยู่ได้ไหมครับได้ครับเขาถี่ฐามว่าขอแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ได้เพราะเขารักพระเจ้าก็ขอต้องการให้หลักการของพระเยซูหลักการแห่งพรนะเจ้าธรรมบัญญัตินั้นปกครองชีวิตของเขาครับเขามีชีวิตแห่งการเชื่อฟังเขาไม่เคยดื้อ เขเพียงแต่ต้องการรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะรับใช้พระองค์อย่างถูกต้องมากขึ้นพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นะครับมันรวมถึงการรับใช้พระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยมีบางคนเดินไปกับพระเยซูครับจะเดินเข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์มนีเพิ่พมเไว้ใกล้ตัวปล่อยเพิ่มเพียเวลาศึกษาเพิ่มเพี์อธิษฐานว่าขอแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ได้นะครับได้ครับเขากําลังขอให้พระเจ้าสอนเขาให้ได้เป็นชีวิตตามหลักการของพระองค์ เขาต้องการให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในชีวิตของเขาเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในสัปดาห์ที่มาถึงในที่ทํางานจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าปรากฏอยู่ในชีวิตของเขาเขียนชีวิตของพระเยซูปรากฏอยู่ในชิตของเขาชีวิตของเขานจะหลังไหลออกมาซึ่งความรักซึ่งความประเสริฐเลิศของแผ่นดินพระเจ้าพี่น้องครับเราสามารถทุกคนนะครับเทวิฐานให้แผ่นดินของพระประทังอยู่ได้เราสามารถลงทะเบียนเข้าแผ่นดินของพระเจ้าได้พี่เอ็มาดว่าผู้ใดใคร่ติดตามเรามา พวเขาต้องหยุดการดำเนินชีวิตเพื่อตัวเองปฏิเสธตัวเองครับแล้วก็รับหลักการก็คือแบกกลางเขียนทุกวันของตนตามเรามาเพียงครับนักธุรกิจสามารถหยุดการอุทิศ ต, ตัวให้กับเงินทองและชีวิตในโลกนี้ติดตามพระเยซูใช้หลักการพขั้งพีในการทํางานทําธุรกิจของเขาเขาจะเป็นการธุรกิจที่ดีขึ้นในสายพระเนตรของพระเจ้าและในสายตาคนอืน่นแม่นะครับแม่ที่ใช้ชีวิตอย่างเห็นแก่ตัวเพื่อเพื่อครอบครัวของเธอสามารถติดตามพระคริส ส า, าสามารถอธิษฐานคำอฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ได้เมื่อได้รับมาตรฐานที่สูงสุด ข, ข, ของความรักพระคริสต์เมื่อได้รับมาตรฐานการดำเนินชีวิตของแผ่นดินพระเจ้าเราจะเป็นแม่ที่ดีขึ้นพี่น้องครับเด็กๆก็อธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ได้ครับพ่อเลยครับเพราะว่าพระเยซูตรัสว่าจงอนุญาตให้เด็กๆมาหาเราพี่น้องครับวัยรุ่นก็เหมือนกันครับขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ได้อธิษฐานคํานี้ได้พ่อเลยครับเพราะว่าพระมปีบอกว่าในหนึ่งยอห์นที่สองนะครับบอกว่า ท่างหลายที่เป็นคนหนุ่มๆพระเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะทั้งหลายมีกําลังมากและพจนะของพระเจ้าดํารงอยู่ในท่านทั้งหลายทีน้นะครับแสดงว่าคดจักรนะครับปรารถนาที่จะให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในชีวิตของพวกเด็กเยาวชนอายุชนทั้งหลายยุวชนทั้งหลายเรื่องครับต้องให้พระวจนะมากๆครับต้องฝังพรจนะมากเข้าไปในชีวิตของเขาเพื่อให้พรจนะของพระเจ้าดํารงอยู่ในชีวิตของเขานะครับสอนเขานะครับเมื่อโตขึ้นก็จะภากจากทางนั้นชุภาเศษบทที่ยี่สองก็หกครับ คนสูงวัยนะครับพี่น้องครับคนสูงวัยสามารถอธิษฐานได้ครับว่าขอแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในชีวิตของข้าพงศ์เพราเปาโลได้กล่าวถึงชายที่สูงอายุครับและสตรีสูงอายุในทิช่าสบดที่สองข้อสองข้อสามครับสตรีที่สูงอายุผู้โสดนะครับผู้ชายที่สูงอายุนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเสาหลักทําบ้านทํำกิจจักรครับเพราะอะไรครับเพราะกิจจักรจะเดินไปด้วยความเชื่อทาอธิษฐานของพี่น้องเหล่านี้พี่น้องครับ ทำอธิษฐานของพระเยซูช่วยแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งได้ครับนั่นต้องเกิดขึ้นกับการเลือกของเราเราสามารถที่จะเลือกนะครับเราสามารถที่จะอธิษฐานและเราสามารถที่จะปรนนตัวให้เป็นเครื่องมือในการให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าได้นี่นะครับหลายครั้งนะครับพระเจ้าอนุญาตให้มนุษย์เข้ามาทํางานของพระองค์นะครับแต่หลายครั้งพระเจ้าก็อนุญาตให้มนุษย์ทํางานให้เสียหาย ได้แต่นะครับแต่เนื่องจากว่าฤทธานุภาพสูงสุดของพระเจ้านั้นพระเจ้าให้เรากลับใจใหม่ครับพระเจ้าสอนบทเรียนเราพระเจ้า ใ, เาให้เราให้เราพึ่งพาพระองค์ในการตัดสินใจที่ผิดนะครับทําให้เราต้องรับบางสิ่งอย่างที่ไม่ดีแต่ไม่เป็นไรครับพระเจ้าให้โอกาสที่สองเราเสมอครับการเลือกของเราจึงมีความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นะครับ เรามักจะไม่ได้นําแผ่นดินของพระเจ้าเข้ามาทั้งหมดในทันทีแต่เป็นการมิฐารที่หลายครั้งเราต้องใช้เวลาครับใต้องใช้เวลาเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อพัฒนาแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อยกระดับแผ่นดินของพระเจ้าให้ปกครองชีวิตของเราปกครองบ้านของเราปกครองกิจการของเรานะครับและปกครองประเทศชาติ้านเมืองของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเจ้ท่านในวันนี้อาเมน